ตอนที่ส7เจลักษณะของกายทิพย์มีคำถามอยู่ข้อหนึ่งซึ่งบุคคลมักจะคิดฝันและนำมาถามข้าพเจ้าอยู่เสมอเสมอคือกายทิพย์นั้นมีลักษณะอย่างไรและเมื่อเราได้ละทิ้งกายเนื้อมาคลองกายทิพย์แล้วนั้นมีความรู้สึกหรืออินทรีย์หรือประสาทสัมผัสแตกต่างกับกายเนื้ออย่างไรบ้างปัญหานี้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 เป็นความลําบากและยุ่งยากกาคาญทั้งกายและใจแต่ก็ยังไม่หมดในเรื่องความลําบากของร่างกายเพียงเท่านี้เพราะอวัยวะแขนขาเป็นต้นของกายเนื้อนั้นต้องเสี่ยงต่ออันตรายอยู่เสมออาจจะขาดหักหรือชํารุดี่การไปเมื่อไรก็ได้หากเกิดอุบัติเหตุอย่างรุนแรงซึ่งไม่มีผู้ใดร่วมรู้ได้ว่าจะมีขึ้นเมื่อไร่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 ไห้คงเหลืออยู่แต่ร่างกายจริงๆไม่มีความทรมานจากหนาวร้อนจากความหิวกระหายเหน็ดเหนื่อยโรคภัยเหตุร้ายหรือความเสื่อมโทรมอย่างใดนั่นแหละคือกายทิพย์และผู้ครองกายทิพย์จะรู้สึกอย่างไรก็ลองนึกเอาเองเมื่อข้าพเจ้ายังครองกายเนื้อในมนุษยสาโลกก็ต้องผ่านความทุกข์ยากอย่างท่านทั้งหลายเหมือนกัน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 งานเย็บปักถักร้อยหรือการดนตรีที่ต้องเล่นกับเครื่องมือเช่นเปียโ น, โนหรือไวโอลินก็ดีเราจะไม่ต้องเสียเวลาหัดกันนานๆเหมือนอย่างชาวโลกมนุษย์เลยสิ่งที่เราจะทำไม่ได้ก็คือสิ่งที่ยังไม่ได้เรียนรู้หรือสิ่งที่เราไม่อยากเรียนรู้เพราะอาจไม่ถูกกับนิสัยของเราเท่านั้นทั้งนี้เพราะมีความจริงอยู่ข้อหนึ่ง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 ด้วยกรรมอเลวร้ายของตนซึ่งได้กระทาไว้ในโลกมนุษย์ความทุกข์ทรมานของผู้มีจิตใจเช่นนี้จะรุนแรงเพียงใดก็ขอให้ท่านลองนึกดูหรือย้อนไปอ่านเรื่องเกี่ยวกับสภาพความเป็นไปของอบัยภูมิข้างตน้นอีกครั้งหนึ่งก็ได้ลักษณะส่วนร่างกายของกายทิพย์ที่กล่าวมาแล้วนั้นเป็นส่วนสมองของกายทิพย์ต่อจากนี้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 เฉียบคมกว่าของมนุษย์มากมายหลายเท่านักทั้งนี้เพราะอินทรีย์สัมผัสของมนุษย์ทั้งหลายถูกทวงให้หนักและขัดข้องและจํากัดอยู่ด้วยความหนักอุ้ยอ้ายของกายเนื้อเสเป็นส่วนมากบัดนี้เมื่อเราไม่มีกายหยาบเช่นนั้นเป็นเครื่องทวงและขัดขวางต่อไปแล้วประสาทสัมผัส ต, ต่างๆของเราจึงมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างมากมายในสภาวะอันเป็นทิพ ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วสาเร็จด้วยใจทั้งสิ้นและยังมีคุณสมบัติพิเศษของร่างกายที่เป็นทิพย์อีกอย่างหนึ่งก็คือความวิกลวิการของกายเนื้อประการใดๆที่เคยมีอยู่มาแต่เดิมเช่นความอ้วนเกินไปหรือความผอมเกินไปเป็นต้นนั้นจะหายไปทันทีในเมื่อกายทิพย์ได้พลากจากกายเนื้อเช่นนั้นมาแล้ว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 มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเป็นธรรมนองเดียวกันคือในสีละขันธวั์ทีขณิกายโปรดถะปาทสูตรพระพุทธองค์ตรัสบรรยายแกโปรดถะปาทะปริพาชกถึงเรื่องอัตตาคือตัวตนสามชั้นคือชั้นกายหยาบประกอบด้วยธาตุสีต้องให้น้ำป้อนข้าวอยู่เสมอหนึ่งกายที่สำเร็จด้วยใจหนึ่งและกายที่เป็นอรูปหนึ่ง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 ยิ่งอยู่นานไปก็จะยิ่งเป็นหนุ่มสาวขึ้นทุกขณะส่วนผู้ที่ตายจากโลกมนุษย์มาเมื่อ ย, ยังเป็นเด็กคั้นมาอยู่ที่นี่นานไปก็จะเคลื่อนไปหาวัยหนุ่มสาวยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันโดยเฉพาะผู้ที่ต้องตกรกรรมลำบากม า, มามากในโลกมนุษย์หรือผู้ที่มีวัยชรามากนั้นเมื่ออยู่นานๆไปเิีวรอยแห่งความลำบากและความชราต่างๆเช่น รอยเหี่ยวย่นหรือแววแห่งความเศร้าหมองที่มีอยู่แต่เดิมนั้นจะค่อยๆหายไปเองคงเหลืออยู่แต่ร่างกายอันสมบูรณ์เป ล, ปล่งปลั่งเป็นน้ำเป็นนวลแสดงถึงความสุขกายสุขใจอย่างแท้จริงทั้งนี้เมื่อเทียบกับผู้อยู่ในอบายภูมิแล้วก็จะมีลักษณะตรงกันข้ามเลยทีเดียวเพราะผู้ที่อยู่ในภูมิเช่นนั้น แม้จะเป็นผู้ที่มีเรือนร่างสมบูรณ์เปล่งปลังปล่งเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์อยู่ก็ตามครั้นมาอยู่สถานที่อันเป็นทิพย์เช่นนี้แล้วบุคคลเหล่านั้นไม่มีกายเนื้อหยาบอันจะปิดบังจิตใจโสม ม, มชั่วร้ายของเขาทำให้ผู้อื่นหลงได้อีกต่อไปร่างทิพย์ของเขาซึ่งสมเร็จด้วยธาตุใจจะมีลักษณะบูดเบี้ยวเยแก่ละวิกลวิการ ตามสภาพแผงจิตใจอันโสมมของเขาโดยไม่ผิดเพี้ยนและเขาจะเคลื่อนไปสู่ไวยชรายิ่งขึ้นทุกขณะได้กล่าวมาแล้วว่าความระทมทุกข์ของชีวิตในโลกมนุษย์นั้นอาจทำให้เกิดความวิกลวิการและความน่าเกลียดให้แก่กายเนื้อได้ก็จริงแต่ไม่สามารถจะทำให้ร่างเิปเกิดความน่าเกลียดตามไปได้เลยหากจิตใจของผู้นั้นบริสุทธิ์สะอาด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 อาจมีจิตใจประนีดบริสุทธิ์อย่างยิ่งก็ได้แต่ในที่นี้ไม่มีใครหลอกกันได้อีกต่อไปจิตใจของเขามีสภาพเป็นอย่างไรร่างทิพย์ของเขาก็มีสภาพเป็นอย่างนั้นกายวิภาคของร่างทิพย์ท่านคงสงสัยว่านอกจากอวัยวะแขนขาและอินทรีย์สัมผัสของร่างทิพย์ซึ่งเหมือนกับร่างมนุษย์แล้วนั้นว่าโดยส่วนภายในแล้ว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 ท่าคนคงอยากจะทราบต่อไปบ้างว่าร่างทิพนี้จะมีอะไรปกคลุมบ้างหรือไม่กล่าวอีกในหนึ่งก็คือร่างทิพนี้จะเป็นร่างเปลือยล่อนจ้อนหรือเปล่าหรือถ้าหากมีอะไรปกคลุมสิ่งนั้นจะเป็นผ้าผ่อนแพรพันชนิดใดหรือสีใดเสื้อผ้าของกายทิพสําหรับบุคคลส่วนมากที่ตายจากโรคมนุษย์ รับเคิ่องเข้ามาสู่โลกทิพนี้ในระยะแรกๆนั้นจะมีเครื่องนุ่งห่มชนิดเดียวกันกับที่ตนนุ่งห่มอยู่เมื่อก่อนจะสิ้นใจนั่นเองความจริงเช่นนี้จะเกิดขึ้นโดยไม่ยกเว้นไว้สาหรับผู้ที่ตายจากโลกมนุษย์โดยไม่มีความรู้ในเรื่องโลกทิพย์พอสมควรและบุคคลเหล่านั้นจะยังคงแต่งกายด้วยเสื้อผ้าชุดเดิมอยู่ต่อไปอีก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 ทั้งนี้ก็เพราะสปปรรพสิ่งทั้งหลายในโลกทิพย์นี้มีอัตราความสั่นสะเทือนของช่วงคลื่นเสมอกันทั้งสิน้นจึงสามารถมีสภาวะเป็นทิพย์เท่าเทียมกันหมดและเรายิ่งเลื่อนภาวะอันเป็นทิพย์ของเราสูงขึ้นไปเพียงใดอัตราความถี่หรือความสั่นสะเทือนของช่วงคลื่นดังกล่าวนั้นก็จะยิ่งสูงขึ้นทุกทีซึ่งเราผู้อยู่ในภูมิต่ำ